เออหมอะไปแล้วนะเออเอาไม่ เ, เออไปกูไดห้หิวเออเออเอาเล ข, ขาหิวเลยวะม น, นักดอก่มันไม่สายมันไม่สายหิวยุ่สายองสายจับโยงสายกันตั้งสองขา เ, เออวันนี้เป็นวันพระเดือน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 สรุปแล้วก็คือเมื่อเสพและดื่มอะไรก็ตามเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแลวทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ก็โมยใครก็ได้ลาลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะนั้นคนดีๆทำไมจึงให้ขาดสติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติอย่าเสพดื่มในของที่มึนเมาและขาดสติ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 ข้าเพาเจ้าประกอบคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอบัด น, นี้ข้าเพาเจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขออ a ว h อวยพรให้ข้าเพาเจ้าข้าเพาเจ้าต้องการความสุขความเจริญอย่างนี้อย่างนี้เ้วจึงขอพรนะไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยจากนั้นก็ไปจะไปขอพรหัววั ด, ว ด, วดหัวเวียงเพอเพอกินเหล้าไปอีกต่างหากเข้าวัดไปขอพร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 เราก่อนเนี่ยหย่อนกระปุกลงไปเออวันนี้ เ, เราจะทําบุญก๋วยเตี๋ ย, ยวถวายพระสงฆ์ห้าถ้วย5องค์หรือสีองค์ถ้วยละเท่าไหรนะ่เราก็หย่อนลงไปวันพระนะเนี่ยหรือวันอาทิตย์นะเนี่ยเรือว่าวันนี้เราจะถวายกล้วยหอมสี่ใบห้าใบราคาเท่าไหร่เราก็หย่อนกระปุกลงไปเอเอวันนี้เราจะถวายกาแฟหรือโกโก้หรือนม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 ก็ทองคำเนี่ยเป็นเครื่องประกันเป็นโฉนดประกันให้มีธนบัตรที่เราพิมพ์มีคุณค่า น, ะนี่แหละหลวงตาเนี่คิดไกลถึงขนาดนั้นละลูกหลานเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนจัตยาญาติโยมก็อยู่ได้สถาบัน3สถ า, าบันหลักก็ต้องอยู่ได้ด้วยกันเพราะเหตุใดเพราะ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 อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอนะทงนี้นะลูกหลานนะ